ทีนี้สรุปทบทวนที่พระเจ้ามหานามะถามเนี่ยนะบอกว่าข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมะที่พระองค์แสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะต่างก็เป็นอุปกิเล์ของจิตและเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะทำไมโลภะโทสะโมหะจึงยังครอบงําจิตของข้าพระองค์ได้เป็นครั้งคราวเหมือนกับว่ากินยาไปแล้วสองชุดเนี่ยนะเอ๊ทำไมบางครั้งมันถ้าคนที่ไข้ามาลาเรียนี่จะเข้าใจดีมันต้องกินหลายๆชุดเนี่ยนะมันจึงจะหายสนิทเนื้กินชุด นึงเออมันก็หายไประดับหนึ่งแล้วนะอีกพักหนึ่งไข้ขึ้นอีกละอ่ามันแสดงว่ามันยังไม่หายจริงกินไปอีกชุดที่สองอา้าวคนนึกว่ามันหายไปแล้วที่ไหนะยังแต่มันน้อยอ่ะนะแต่มันยังไข้ขึ้นบ้างอะไรบ้างอันนะครั้งที่สามอา้าวเขายังเหลืออีกนั่นแนหะสี่ชุดนี่นแหละจึงจะหายสนิทอ่ะนะในเปรียบเหมือนว่าถ้าอากักขุนทั้งหลายเหมือนกับไข้มาลาเรียเนี่ยนะก็เป็นลักษณะ น, นั้นทําไมมันยังเกิดขึ้นครอบงําเป็นครั้งคราวอนนั้นะ อ, อะไรบ้างเนอที่ยังละไม่ได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนมหานามะโลภโทสะโมหะธรรมนั่นแหละท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในตัวมันเองเนี่ยนะท่านยังไม่มีอนาคามิมักไม่มีอรหัตตมักเป็นเหตุให้ไปละโลภโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาดในภายในเพราะฉะนั้นโลภโทสะโมหะนี่แหละเป็นเหตุให้โลภโทสะโมหะครอบงําจิตของท่านได้ในครั้งคราว เมื่ อ, อยังละไม่อะไรนะอํานาจยังไม่เบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็ยังอ่นะก็เรื่ออะไรยังประท้วงอยู่เรื่อยอ่านะเพราะว่าเพราะไม่เบ็ดเสร็จนะเพราะอะไรฟันโลภะโทสะโมหะก็เลยรบกวนเรื่อยๆอ่านะเปรียบเหมือนเชื้อโรคที่มันอะไรนะมันบอกว่ามันยังอยู่นะก็เหมือนกับอย่างพวกเราเนี่ยตอนกุศลเจริญก็เจริญดีก็ไม่คิดเลยนะว่าเราจะต้องไม่สบายใจเป็นมันดีเหลือเกินทุกอย่างเอ๊ะมันไม่สบายใจนี่มันคืออะไรไม่เข้าใจเอาเรียบเอาไปเผลอไปเผลอมาเอา้าไม่สบายใจซะแล้วเนี่ยนะ คือก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะต้องไม่สบายใจจะต้องลำบากใจจะต้องเครียดจะต้องอะไรไม่เข้าใจเนยนะบางช่วงพอกุศลมันเกิดมากๆเอ้มันเครียดเป็นด้วยเหรอมันไม่เข้าใจทําไมต้องเครียดด้วยเป็นต้นนีนะพอเอาเข้าจริงๆเอาไปเอามาเอาเครียดซ ะ, ซะแล้วเนี่ยนะกระทิมเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่หมดเชื้อเลยเนี่ยนะ เนพระองค์ก็บอกว่าอันนี้แหละที่จริงอ่ะท่านยังไม่มีอนณาคามีมักยังไม่มีอรหัตตมักพอที่จะละได้เด็ดขาดนั่นแหละมันจึงสามารถครอบงาจิตของท่านได้ดูก่อนมหานามะถ้าหากว่าโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นอันท่านละได้เด็ดขาดในภายในแล้วด้วยอนาคามีมักเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็ไม่พึงอยู่ครองเรือนและไม่พึงบริโภคการท่านจะต้องบวชเหมือนเราถ้าท่านได้อนาคามีมักหรือสําคัญที่สุดคือได้อรหัตตมัก ท่านก็บวชแต่นี้ท่านยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าถึงคุณธรรมระดับอนาคามิมกักและอรหัตตมักเพราะฉะนั้นท่านจึงยังบริโภคกามนะเพราะท่านยังไม่ได้ถึงขนาดนี้แหละท่านจึงยังอยู่ครองเลือนและยังบริโภคกามเพราะอะไรเพราะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะท่านยังไม่ได้บรรลุอนาคามิมกักและอรหัตตมักนะนะดูก่อนมหานามะ ถ้าแม้ว่าอาริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอันนี้เล็งเห็นด้วยวิปัสนาปัญญานะเล็งเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแปลว่าเห็นโดวยวิปัสนาปัญญาอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าคนที่มีวิปัสนาปัญญาจริงเนี่ยนะจะต้องเห็นเลยว่ากามทั้งหลายให้ความยินดีน้อยแปลว่ามันอร่อยน้อยเคยเคยอะไรนะ ทำไมเด็กๆเนี่ยชอบขึ้นต้นมะม่วงที่มันมีลูกนิดเดียวลูกเล็กๆแล้วก็อร่อยอยู่คำเดียวเสร็จแล้วมดแดงกัดแทบตายเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละมันอร่อยน้อยอ่ะแต่ว่ามันหรื อ, อเคยทานผลไม้มีพิษไหมแม้มันหวานอร่อยแต่มันลูกเดียวแต่แหมท้องก็เสียด้วยเนี่ยนะโอ้ยท้องเสียอยู่ตั้งนานไม่หายซากทีนะครับมันอร่อยเหมือนกันมันอร่อยน้อยแต่ว่าทุกข์มากทุกข์ของกามทั้งในปัจจุบันและ สัมปรายาพบทุกเพราะการสแสวงหาทุกเพราะการรักษาเป็นต้นที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะอันมันอร่อยน้อยแต่ทุกมากอร่อยน้อยแต่เกิดความคับแค้นมากแปลว่าเครียดมากเครียดทั้งในปัจจุบันและสัมปรายาพบเร่าร้อนทั้งปัจจุบันและสัมปรายาพบมันกามเนี่ยมันมีโทษอย่างยิ่งทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายาพบในโลกของวัตถุกามเนี่ยนะสิ่งที่เราหาหาแล้วมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายเอาไหม อ๋ออย่างสมมติเอาโอ้ยทําทุกอย่างเพื่อให้ได้รถสักคันหนึ่งนะเอาไม่มีรถก่อนตายเป็นอารมณ์ไม่เอาอีกนั่นแหละโอ้ยทำสักยิ่งใหญ่เหลือเกินเพื่อจะได้เสื้อสักตวัวหนึ่งมาเป็นอารมณ์เนี่ยนะเอาไม่มีเสื้อเป็นอารมณ์แล้วตายไม่เอาอีกนั่นแหละทําทุกอย่างเพื่อให้ได้แหมแต่งตัวแบบเนี้ยเสร็จแล้วมีภาพที่แต่งตัวแบบนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายเอาไหมทำทุกอย่างเพื่อให้เที่ยวประเทศบางประเทศเนี่ยนะโอ้ยลงทุนลงแรงทําทุกอย่างเอาไม่คิดถึงประเทศนั้นแล้วเป็นอารมณ์ก่อนตาย บอกว่าทำทุกอย่างเพื่อให้เจอใครสักคนหนึ่งเสร็จแล้วเอาไหมมีคนนั้นแหละเป็นอารมณ์แล้วก็ตายก็ไม่เอาอีกนั่นแหละแล้วเอาแล้วทำทำไมทําแทบตายอย่างนั้นเถอะจนตายว่าท่านจริ ง, รงๆแล้วเขาบอกว่าโทษมันมียิ่งนักทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเนี่ย น, นะทีนี้ถึงจะมีปวิปัสนาปัญญาเห็นอยู่อย่างนี้ภาริยาสาวกท่านเห็นนะท่านเห็นแต่ไม่ได้แปลว่าละได้ คนที่หมือนกับคนที่ป่วยโรคสู้เจ็บปวดจริงๆเลยนะรู้ไหมรู้ละได้เลยไหมละไม่ได้นะรู้ทั้งรู้แต่มันยังละไม่ได้นะอันนี้ฉันใดพระริยาสาวกก็ฉันนั้นเนี่ยนะนางวิสาขานาถบินทิกะท่านก็รู้ทั้งรู้ว่ามันอร่อยน้อยมันทุกข์มากมันคับแคบมากโทษมันมากแต่ว่าละไม่ได้นี่นะมันยังละไม่ได้ก็หลายคนที่เรียนธรรมะเนี่ยรู้ว่ามันดีไหมบอกไม่ดีชอบไหมไม่ชอบจะทำทำไม ไม่ทําก็ไม่ได้ครับงั้นนั่นนะแต่สรุปว่าอธิบายว่าต้องทํางั้นต้องเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นแต่อริยะสาวกนั้นะเว้นจากกรรมถ้าหากว่าอริยะสาวกนั้นถ้าเว้นจากการมเว้นจากอกุศลธรรมไม่ได้ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุปีติและสุขถ้าไม่ได้ตัติยฌานและจตุทฌานถ้าไม่ได้สกทาคามิมักอนาคามิมักที่เป็นกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่ากันนั้นถ้าไม่ได้อนาคามิมักและไม่ได้อรหัตมัก เธอจะยังเป็นผู้ไม่เวียนมาในการไม่ได้ก่อนหมายความว่าถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่จะไม่เวียนกลับมาหาการรมมันเป็นไปไม่ได้หรอกยังไงมันก็ต้องเวียนกลับมาจนได้เนี่ยนะต่อเมื่อใดเธอเล็งเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าคือหมายความว่าวิปัสสนาปัญญาเนี่ยนะเห็นถูกต้องตรงตามเป็นจริงเลยว่า การทั้งหลายให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้มีอย่างยิ่งดังนี้ทั้งในปัจจุบันและสัมป라이พเมื่อนั้นเธอก็จะเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมบรรลุปีติสุขหรือกุศลธรรมอื่นกว่าที่สงบกว่านั้นคือโซดาคืออนาคามิมักและอรหัตต์มักเบื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามเป็นแท้ ถ้าเป็นท่านาคามีไปแล้วไม่เวียนกลับมาเพลดิดเพลนพอใจในรูปเสียงเปลี่ยนรสและโพตะพระทั้งหลายเนี่ยนะก็ต้องอนาคามีมากและอรหัตตะมนั่นแหละจึงจะพอทีนี้พระองค์ก็ยกเรื่องของพระองค์มาเป็นตัวอย่างว่าดูก่อนมหานามะแม้เราเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่ตรัสรู้ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก่อนที่อรหัตตะมกกับปัญญาจะเกิดเนี่ย เราก็เล็งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเราก็เห็นนะว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความครับแค้นมากโทษในกามเนี่ยมีอย่างยิ่งตอนที่พระองค์เห็นเทวทูตเนี่ยพระองค์รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเห็นอยู่แล้วว่างั้นและเราก็เว้นจากเว้นจากกรรมเว้นอาจจะ จากอกุศลธรรมไม่ได้ยังไม่บรบรลุปิติสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามไม่ได้ก่อนคือหมายว่าถ้ายังไม่ได้อนาคามีมกักยังไม่ได้อรหัตมักอย่าดีใจนะว่าจะไม่กลับมาอีกเหมือนของพวกเราเนี่ยนะสมมติถ่ายัางโสดาปฏิมักก็ไม่เกิดไม่บรรลุโสดาปฏิมักเพราะฉะนั้นได้ยินสุนัขเหา่าอย่าคิดว่าเราพ้นแล้วงนะ มันเห็นไปเลี้ยงปลาเนี่ยให้อาหารปลาอย่านึกว่าเราไม่เกิดเป็นปลาอีกแล้วเอาอะไรมารับรองว่าพ้นแล้วอ่ะมันไปเห็นปูปลาไปเห็นเนี่ยไปเห็นสัตว์ในอบายเขาบอกยาพึ่งดีใจว่าเราพ้นแล้วเอาอะไรมาบอกว่าพ้นสักโสดาปฏิมาคไม่เกิดถ้าสกทาคามีมักยังไม่เกิด นะอยากคิดนะว่าจะแหมเดี๋ยวก็มาเกิดครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเป็นต้นใหม่ถ้าอนาคามีมรรคไม่มีเนี่ยนะบอกว่าจะเบื่อโลกนี้ให้ตายยังไงก็เวียนกลับมาโลกนี้เนี่ยนะก็เคยเคยสังเกตไหมเหมือนกับคนที่เกลียดที่ทํางานนะแล้วก็ไม่มีงานใหม่รองรับด้วยไม่ชอบด้วยเกลียดด้วยถ้าไม่ทําก็อดตายเป็นต้นด้วยในที่สุดก็เวียนกลับไปจนได้ น, นั่นแหละมันก็วนๆอยู่แถวนั้นนะจะไปไหนอย่างนั้นะเกลียดให้ตายมันก็ไปไม่พ้น ทำไมอะ่ะมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องพัวพันพันพันอยู่แถวนั้นฉันใดผู้ที่ยังไม่มีคุณธรรมระดับสูงยังไม่ได้สุขชั้นสูงต่อไปที่จะละเว้นจากอ่อย่างสมมุติว่าถ้าคนไม่ได้เนี่ยข ม, มสุขระดับอนาคามีมัคถึงอรหัตตมัคเนี่ยนะที่จะไม่สแสวงหาความสุขในวัตถุกรรมไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้ายังไม่ได้อนาคามีมัจที่จะไม่ใช่ไม่สแสวงหาความสุข อ ร, อร่อยจากทวารลิ้นเป็นต้นเนี่ยนะสแสวงหาอาหารอร่อยๆทานเนี่ยนะถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอนาคามีอยากคิดนั่นว่าจะเลิกมันก็อาหารอะไรก็ยังอร่อยอีกเยอะอันน้นก็อยากทานอันนี้ก็อยากทานที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้มรรคชั้นชั้นสูงพอที่จะมาดับกระหายเหล่านั้นได้แต่ว่าไม่ได้หายจริงก็ยังดับกระหายที่ระดับสูงสุดไม่ได้แต่ก็อย่างว่าพราะองค์ก็แสดงการ ม, มาสุ ข, ขลิการนโยคให้เห็น ให้ดูว่าอัสธาธะของกามในข้อสองร้อยสิบสองเนี่ยนะเขาเรียกว่ากามสุขัลิกานุโยกและอัสธาธะของกามเป็นอย่างนี้นี่เป็นสมุทัยสัจจะเนี่ยเนีเป็นสมุทัยเป็นการประกาศสมุทัยให้เห็นว่าดูก่อนมหานามะก็อะไรเล่าเป็นอัสธาธะความยินดีความน่าเพลิดเพลินของวัตถุ ก, กามทั้งหลายดูก่อนมหานามะกลามคุณที่ สิ่งที่เป็นที่ผูกมัดแห่งจิตมีหประการสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัดหน้าเพลิดเพลินใจอยู่5ประการ5ประการเป็นไนะคือรูปสวยเนี่ยนะรูปสวยๆที่รู้แจ้งด้วยจักสุที่น่าปราถนาะหน้าใคร่หน้าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดอันนี้แหละเป็นเครื่องผูกใจอันหนึ่งเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่และผูกใจอันหนึ่งอันนี้คืออัศทะความน่ายินดีของกาม ของรูปทั้งหลายที่หน้าเพลิดเพลินเสียงที่รู้แจ้งด้วยโสตกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยขานะรสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาโพธพภะ ท, ที่พึงรู้แจ้งด้วยกายแต่ละอย่างที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนมหานามะกามคุณห้าประการเหล่านี้แหลนะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโพธภะ ท, ที่หน้า ปรารถนาเนี่ยนะที่น่าพอใจหน่าใคร่น่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินอย่างยิ่งความสุขเหล่าใดความโสมนัสเหล่าใดที่อาศัยหมายคามว่าเมื่อบริโภคตาเห็นรูปสวยก็สุขโสมนัสหูฟังเสียงเพราะก็เกิดสุขโสมนัสจมูกที่รับกลิ่นที่หอมที่ตัวเองปรารถนาก็เกิดสุขและโสมนัสลิ้นที่รับรสที่ตัวเองปรารถนาก็ก่อให้เกิดสุขโสมนัส กายที asa, ่ได้รับสัมผัสในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาก็ก่อให้เกิดสกโสมนัสอันนี้แหละเป็นอัศทะความน่าเพลิดเพลินในวัตถุกรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามีรูปสวยที่น่าปรารถนานี่แหละจึงไม่เบื่อหน่ายในการมีตาเพราะมีเสียงที่เพราะที่น่าฟังนี่แหละจึงทําให้ไม่เบื่อหน่ายที่จะมีหูเพราะมีกลิ่นที่หอมที่พอใจเนี่ยนะนี่แหละที่จะทําให้ไม่เบื่อหน่ายในกลิ่น เพราะมีรสอร่อยๆท er ี่น่าพอใจนั่นแหละจึงไม่เบื่อหน่ายที่จะมีิ้นเพราะสัมผัสที่ดีอากาศก็ดีอาหารก็ดีอะไรเป็นต้นเนี่ยแหละที่ทำให้ไม่เบื่อหน่ายที่จะมีร่างกายนั่นนะเพราะอะไรทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่ตัวเองปรารถนาเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการนี่แหละทำให้ไม่เบื่อหน่ายที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่มีเมื่อไม่เบื่อหน่ายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะไปไหน ก็ไปเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นและกายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเป็นสาเหตุแห่งความโศกเมื่อมีตาก็มีโศกเมื่อมีหูก็มีโศกเมื่อมีจมูกก็มีความโศกถ้ายังมีลิ้นก็ยังมีความโศกถ้ายังมีกายก็ยังมีความโศกเนี่ยนะถ้ายังกระดริเทวะนี่แปลว่าบ่นเพ้อ ถ้ายังมีตาเห็นอยู่ยังบ่นอีกนานถ้ายังมีหูฟังก็ยังต้องบ่นอีกนานถ้ายังมีจมูกก็ยังต้องบ่นมีลิ้นก็ยังต้องบ่นมีกายก็ยังต้องมีบ่นมันถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายอยาคิดว่าจะเลิกบ่นพร่ำคิดว่าจะเลิกพร่ำบอกไม่ใช่ฐานะบ่นพร่ำเพอินยังไงก็ต้องบ่นถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายยังไงก็ต้องมีความเจ็บปวดนั่นเดี๋ยวก็โรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายยังไงมันก็ต้องเจ็บปวด ถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายอย่างไรก็ต้องเสียใจแน่นอนนะนะเสียใจแน่นอนเพราะตาเห็นบางอย่างก็เสียใจมีหูพามาเสียใจมีจมูกก็พามาเสียใจมีลิ้นมีรสแต่ละอย่างก็พามาเสียใจหมดเลยแล้วก็อยากคิดนะว่าจะไม่ลำบากใจจะไม่อึดอัดเพราะถ้ายังมีตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยเพราะพวกนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความคับแคบเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นเป็นที่ตั้งแห่งความอึดอัด แต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะอย่าลืมว่ามันนํามาซึ่งสุขและโสมนัสพอใจที่ได้เห็นพอใจที่ได้ฟังพอใจที่รู้กลิ่นพอใจที่รู้รสรูปสัมผัสรู้รับกระทบทั้งหลายเนี่ยนะไอ้ความสุขความโสมนัสความพอใจอันนี้แหละทาให้ติดข้องเนี่ยนะทำให้เพลิดเพลินเพราะอันนี้เป็นลักษณะของสมุทัยสัตว์ทุกอย่างในโลกนี้มีแต่เลวร้ายใครจะอยากอยู่บ้างเอาไหม ถ้ามีแต่สิ่งดีๆแล้วมีใครจะอยากออกบ้างวัตสังสารวัตรก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันดีโดยส่วนเดียวก็ไม่มีใครคิดจะออกถ้ามันเลวร้ายโดยส่วนเดียวก็ไม่มีใครคิดจะอยู่เพราะฉะนั้นอยากอยู่บ้างอยากออกบ้างก็แปลว่าปกตินี่นะตอนที่มันน่าปรารถนาเนี่ยนะโอ๊ยอย่าว่านี่เลยเนี่ยนะ